ช่วงนี้ก็เป็นการศึกษาหรือการวินิจฉัยเพื่อความเข้าใจอริยสัจโดยนยตต่างๆอยู่ซึ่งมาถึงวินิจฉัยข้อที่ที่กเนี่ยนะกล่าวถึงกิจแห่งยานะยานที่รู้อริยสัจเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอนุโพธยานกับกลุ่มปฏิเวทยาน ถ้าเราเข้าใจปฏิเวทญาณ น, นะนะที่เหลือเป็นอนุโพธญาณหมดแหละปฏิเวทญาณก็คือญาณในอริยมรรคที่แทงตลอดอริยสัตว์อันปฏิเวทญาณก็แบ่งออกเป็นสี่มรรคใช่ั้ยของโสดาปฏิมรรคอย่างหนึ่งสกทาคามิมรรคอย่างหนึ่งอนนาคามิมรรคอย่างหนึ่งและอรหัตตมรรคอย่างหนึ่งอันนี้เป็นปฏิเวทญาณส่วนอนุโพธญาณ ก็คือยานที่ฟังอริยสัจเนี่ยนะนับตั้งแต่การฟังอริยสัจไปเรื่อยๆแม้กระทั่งการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายก็ยังเรียกว่ากลุ่มอนุโพธยานเนี่ยะก็เป็นอนุโพธยานการฟังอริยสัจการท่องบนสาทยายการทรงจำการพิจารณาการเจริญวิปัสสนาทุกขั้นตอนก็นับเนื่องในอนุโพธยานเนะเป็นยานที่ตามรู้นี่ยนะ ทีนี้อนุพโพทยานที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะยานที่เป็นโลกิยะเพราะการพิจารณาอริยสัจมันก็แบ่งการพิจารณาแบบโลกิยะกับโลกุตระขณะโลกุตระก็ขณะอริยมรรคแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นขณะโลกิยะในขณะที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะก็เป็นยานในทุกยานในทุกขัสมูทัยยานในทุกขานิโรธยานในทุกขานิโรทคามินีปฏิปทา แต่เป็นยาณะที่เข้าไปพิจารณานะเข้าไปพิจารณาไปไข้ครวนถึงสัจจะแต่ละอย่างปัญญาที่ใครครวนพิจารณาทุกขสั์มาก น, นะครหรือมีความเข้าใจเจ็มแจ้งในทุกขสั์ก็ละสกายทิฐีได้นะสกายะทิถีนั้นก็คือความสำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะ บุคคลเมื่อพิจารณาขันธาตุอายตนะจนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็จะละความละคลายความสำคัญว่าเป็นเป็นอะไรเป็นอัตตาหรือที่เรียกว่าเป็นศัพท์เนี่ยนะก็เช่นใครที่สาทยายอาการสามสิบสองมากมเนี่ยนะหมันไข้ครวนอาการสามสิบสองหรือธาต ปฐวีธาตุยี่สิบอาโปธาตุสสองเตโชธาตุสี่วายโยธาตุหกเนี่ย น, นะคนที่สาธยายแบบนี้แบบนี้มากๆกใครครวนจนมองเห็นทะลุปรุโปร่งว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นธาตุจริงๆเขาจะสำคัญว่าธาตุเหล่านั้นคือใครก็คือธาตุนะนมันก็ไม่ใช่ใครละเป็นสภาพธรรมที่เป็นธาตุนิสตตะนิชีวะสุญยะสภาวะความที่ปัญญาเข้าไป ไปใคร่ครวญสอดส่องโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะดังกล่าวอันนี้ห้ามสกาญาทิฐิคือความสําคัญว่าเป็นสัตว์แต่ขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เพราะคําว่าสัตว์นี้เป็นคําที่รองเรียกกันเอาไว้พูดเอาไว้คุยเอาไว้สื่อสารกันใช่ไหมแต่เดรัฎีทั้งหลายหรือผู้ที่ไม่ได้วิวนิจฉัยใคร่ครวนสําคัญว่าเป็นสัตว์จริงๆ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาไครครวน อ, อย่างถึงความเป็นขันธาตุอายตนะเหล่านี้ละสกายะทิฐีได้ขันธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนั่นเกิดจากปัจจัยปัจจัยที่ทําให้เกิดขันธาตุอายตนะก็ตัณหานี้เป็นเป็นแม่บทหลักนั่นเเป็นตัวแม่เลยแหละทุกข์ศัตร์ทั้งหลายเปรียบเหมือนลูก ตันหาในเปรียบเหมือนแม่ทั้นคนที่รอบรู้ในสมุทัยศาสตร์ดีก็จะรอบรู้ถึงผลคือทุกขสัตว์ถ้ารู้ถึงผลคือทุกขสัต์เนี่ยนะจะรู้ว่าทำทั้งหลายเนี่ยเกิดลอยๆไหมทุกอย่างไม่ได้เกิดลอยๆอยใช่ั้มแม้กระทั่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ก็เกิดจากเหตุและเกิดจากตัดัย ถ้าใครที่ยังไม่สิ้นตันหาบุคคลนั้นก็ยังมีปฏิสนธิในภพใหม่เพราะตันหานี้เป็นปัจจัยนานาเกิดในภพใหม่ฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสมุ ท, ทยัยหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นขึ้นก็จะละอุเฉท ท, ทิฏฐิได้ไม่สำคัญว่าชีวิตมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีตายเป็นที่สุดใช่จะไม่คิดอยู่เท่านั้น จะมองทุกอย่างเชื home, painters, orous, hoje, ่อมกันสัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องไอความเป็นไปอย่างสืบเนื่องอย่างนี้ผู้ที่ไม่มีความแยบคายเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีความแยบคายก็สำคัญว่าเป็นสัตว์เมื่อความสำคัญว่าเป็นสัตว์เหมือนก็ว่าชีวิตที่เป็นไปในวัตจัอย่างนี้เป็นนิรันดรใช่เหมือนก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปเที่ยง แน่นอนยั่งยืนจุติปฏิสนธิอย่างเนี้สืบเนื่องต่อไปเพราะอะไรเขาจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเขาไม่รู้นิโรสัจอันผู้ที่รู้นิโรสัจะว่าธรรมะที่สงบระงับดับวัตะมีอยู่นะอันถ้ามีปัญญาเข้าใจรอบรู้ในนิโรสัจะก็จะดับไอสัสตตทิฐิเพราะสําคัญว่าการที่จะไม่ปฏิสนธิในภพใหม่นั้นอยู่ที่การรู้ อริยสัจเนีนะโดยเฉพาะนิโรธสัจานะไอ้ความรู้นิโรธสัจจะนี่แหละตัวนิโรธเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ดับวั ต, ตะโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นนิโรธนั้นเรียกว่าเป็นธรรมที่สางแห่งนะเป็นธรรมที่ละกิเลสเป็นธรรมที่สา่าเอให้ความเมาด้วยราคะเป็นต้นเนี่ยสางลงเป็นธรรมะที่เพิกถอนอะไรเป็นธรรมที่เข้าไปตัดวัตะเนี่ยนะทำให้วัตะเนี่ยสงบระงับ อันนั้นด้วยอนุภาพของนิโรธหั น, นยานที่แทงตลอดหรือตรัสรู้นิโรธเนี่ยยานอันนี้แหละที่จะทำให้ละอุเฉททิฏฐิได้ออากไปละสัสตตทิฏฐิได้ทีนี้ส่วนยานในมรคนี่นะยานในมรคศัตร์นั้นละอกิริยะทิฏฐิเพราะว่ามรคนี่เป็นสิ่งต้ อ, ง ท, ตอ ง, ทงที่ต้องทำขึ้นใช่ไมสิ่งที่ต้องทาขึ้น ไม่ใช่มรรคนี้เกิดเองเกิดลอยๆไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่ต้องทําขึ้นแล้วก็เป็นการทําที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะที่ทำแบบด้วยความภาพเพียรพยายามบากบัน่นด้วยทั้งศึกษาทั้งเรียนรู้ทั้งใคร่ครวนทั้งโยนิโสมนาสิการเป็นต้นเนี่ยนะอย่างมากเลยแหละอริยมรรคจึงจะเกิดก็ดูนะว่ากุศลธรรมทั้งหลายนีย่เกิดขึ้นเองไหมทานนะกุศลนี่อ ย, ยู่ๆแล้วทานคิดจะให้ทานขึ้นเองลอยๆก็ไม่ใช่ ศีลกุศลทั้งหลายเนี่ยต้องทำขึ้นเป็นอย่างมากเขเรียกว่ากระทําอุโบสถเนี่ยนะอุโบสถเขาเรียกว่าทําอุโบสถเนี่ยนะต้องทําขึ้นแม้กระทั่งศีลที่เป็นพระภิกษุเนี่ยนะตามวินัยกรรมทําขึ้นทั้งนั้นสร้างกุศลศีลให้เกิดขึ้นแล้วก็สมถาก็ยิ่งต้องทําขึ้นเลยใช่ไหมคนที่มีโทสะก็ต้องไปเจริญเมตตาเนี่ยนะคือการทําขึ้นทั้งนั้น โดยที่สุดแม้กระทั่งปัญญาทั้งหลายที่พิจารณานี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะตัวสัมมาทิฏฐิที่ไปพิจารณาอริยสัจวิปสัสสนาก็ต้องทําขึ้นถ้าไม่ทําขึ้นไม่มีเนนะอั้นความรู้ความเข้าใจสติปัญญานั้นเกิดจากการเจริญเกิดจากการอบรมเกิดจากการภาวนาอั้นผู้ที่มีความเข้าใจในกุศลธรรมโดยเฉพาะกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ กุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เนี่ยนะโดยเฉพาะมรรคเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ทําขึ้นเป็นอย่างมากมากขนาดไหนในพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าประหิตตัดโตนั่นแหละมีตนส่งไปแล้วตนส่งไปแล้วนี่หมายความว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมุ่งจิตสู่อสังขตธาตุนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมันต้องไม่อะไรจริงๆแต่ถ้ายัางอะไรอยู่นะบรรลุได้ไหม หวงขันห้าเลอเกินเนี่ยนะนิพานก็จะเอาเนี่ยบรรลุได้เป็นไปได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้ขันอ่หวงชีวิตชีวิตก็คืออัตภาพอัตภาพก็คือขันห้าใช่ไหมฉะั้นคนที่จะตรัสรูพนน้พระนิพานจะต้องไม่อะไรในกายและในชีวิตเนี่ยนะน้อมจิตไปหาอสังขตาธาตุอันนั้นแหละเรียกว่าประหิตตัดโตแปลเป็นไทยว่ามีตนส่งไปแล้วนไ ซึ่งคํานี้มีมากในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครัะหิตะโตเนี่ยเ<ม>ชื่อว่ามีเป็นหลายสิบนะจะว่าเป็นร้อยก็อาจจะเกินไปนะแต่อาจจะเป็นร้อยเลยซ้ำไปคืออตัวไตรสารณคมเนี่ยนะผู้ที่เข้าถึงสาระจริงๆเนี่ยนะคือคนที่เห็นพระนิพพานได้ไหม แม้กระทั่งที่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้จริงๆก็ต้องเมื่อเราเห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าจริงถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานก็ยังถือว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเราเนี่ยนะก็คือรู้โดยอนุมานเป็นต้นเนี่ยนะรู้โดยการฟังโดยการได้ยินโดยการพิจารณาเทียบเทียงแต่ยังไม่ได้เห็นจริงๆเพราะยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะ คนบุคคลที่จะนับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวจริงๆก็ต้องคนนั้นเห็นพระนิพพานเนไถ้าบุคคลที่ยังไม่เห็นพระนิพพานนะคนนั้นง่อนงน่นเพราะว่าเดี๋ยวก็เชื่อพระพุทธเจ้าบ้างเดี๋ยวก็เชื่อคนอื่นบ้างนะ<ค>นเดี๋ยวก็นับถือพระพุทธเจ้าทีเดี๋ยวไปนับถืออย่างอื่นทีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยชวนเพื่อนห้าร้อยคนที่เป็นพ่อค้าด้วยกันเนี่ย เข้าไปวัดเชตาวันไปเพื่อฟังธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังพวกเศรษฐีเพื่อนกันเนี่ยนะโดยมากก็นับถือศาสนาอื่นอยู่แล้วไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เห็นคุณของพระรัตนตรยัยก็ถึงไตรสารณาคมก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเลยแหละนับถือไประยะหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งพระองค์ก็กลับไปยังเมืองราชครึกนั่นะ กลับไปเมืองราชครึกนอนหลายเดือนพระองค์จึงกลับมาสาวัตถีครั้งหนึ่งช่วงที่พระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองราชครึกเนี่ยนะกลุ่มนี้กลับไปนับถือศาสนาเดิมเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนับถือเดรัถีตามเดิมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะ่ะพระผูมมีพระภาคเสด็จมาเมืองราชเมืองสาวัตถีใหม่มาที่วัดเชตวันขณาถาก็ชวญเพื่อนไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็อนาถะก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังตามเป็นจริงว่าตอนนี้เพื่อนนี่ไปนับถือศาสนาเดิมหมดแล้วนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังนีนะ อ, อปันนกะอปันนกะธรรมนี่นะธรรมที่ไม่ผิดนะธรรม ท, ที่ที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระองค์ก็สอนอปันนกะชาดกสรรนคมของปุตุชนทั้งหลายก็ยังเปลี่ยนได้เพราะไม่เห็น พระนิพานเนี่ยะไม่เห็นพระนิพานก็อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะก็พิจารณาทุกขัสัจใช่ไหมทุกขัสัจนี้อสุภะอนิจจงทุก ข, ขังอนัตตายอมรับใช่ไหมยยอมรับตลอดเวลาไหมล่ะือตลอดเวลาไหมล่ะหรือว่าเป็นขณะขณะอ่นะอาหารนี้ปฏิกูลจริงไหมอาหารเรปฏิกูลจริงไหมอ่นะอันนเอาก็อย่างอื่นก็ในยะเดียวกันนะนะ อันแล้วก็อันนี้นะความวิปลาดในทุกขศัสต์เราก็ยัง ม, มีเพราะบางครั้งเรารู้ไม่ได้เลยใช่ไหมว่ามันทิฏฐิวิปลาดหรืออะไรกันแน่กับปากชาดกมันเป็นยังไงครนะับมีเรื่องอยังไงครนะับก็เรื่องคร่าวๆอย่างนี้ไปอ่านเนอชาดกเรื่องแรกกันนะเล่มนะห้าสิบห้าเนาะล แม้แต่ทุกข์กระสับเนี่ยนะทุกข์ระสับเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนเต็มที่ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภาพเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดัางหัวฟีเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เห็นอย่างประจักแจ้งแจ่มแจ้งยอมรับจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็พยายามเหมือนกับว่าอะไรนฟื้นๆอยู่เป็นครั้งคราวนะเหมือนกับว่าอย่างคนที่รู้พิษรู้ภัยของสุราแต่ยังชอบดื่มสุราอยู่เนี่ยนะ กับปุถุชนทั้งหลายผู้ผู้ฟังธรรมะถึงทุกโทษภัยของขันห้าแต่ก็ยังติดขันห้าอยู่ น, นะครั้งคราวบางครั้งก็เออใช่มันมีโทษจริงๆอีกครั้งหนึ่งเอ้คงไม่เป็นไรมัง้งเนี่ยนะก็เพลินไปหลับไปแล้วสมุทยศัตร์เราก็ไม่ได้รังเกียจอย่างแรงกล้าอะไรไม่ได้รังเกียจตัณหาอย่างแรงกล้านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความงอนแงนของเราครั้งหนึ่ง น, นี่ถ้าตันหายังมีอยู่ก็ประกาศว่าเรานับถือคนอื่นดี ก, ก็ได้เพราะตันหานี้ยังสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิอีกต่อไปได้อันสักพักหนึ่งนั่นนะถ้าใครสนองตันหาเราได้มากเราอาจจะไปนับถือบุคคล น, นั้นอีกครั้งทีนี้ทั้งทุกทั้งสมุทัยเนี่ยนะเราน้อมไปเพื่อจะดับจริงหรือเปล่า น้อมไปเพื่อจะเพิกจริงหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เพิกทุกข์กับสมุทัยอันนั้นนะคืออะไรอันนี้ก็ประกาศถึงว่าเรามั่นคงขนาดไหนแล้วก็สิกขานะลองมาไล่ดูสิกขาแต่ละอย่างศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาพระโสดาบันพระสกะทาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลสิกขาอย่างมั่นคงมีจิตตสิกขากับปัญญาสิกขาพอประมาณ พระนาคามีนั้นมีศีลสิกขาจิตตสิกขามั่นคงมีปัญญาสิกขาพอประมาณคือรู้อริยสัจพอประมาณไม่ได้รู้เต็มเปี่ยมแบบพระอรหันต์พระอรหันต์นี้เป็นผู้มีไตรสิกขาบริบูรณ์ผู้ที่มีไตรสิกขาอันเจริญแล้วเรียกว่าอเศขธรรมผู้ที่บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาท่านเหล่านี้เนี่ยจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงในการนับถือพระพุทธเจ้าเพราะท่านผู้ที่มีไตรสิกขาเนี่ย ตัวสิกขาจริงๆที่บริบูรณ์ต้องมีนิพานเป็นอารมณ์นันะสิกขาที่ยังไม่มีนิพานเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าสิกขายังไม่บริบูรณ์นันะศีลและสิกขาก็เหมือนกันถ้ายังมีชีวิตตินทรีย์เป็นต้นเป็นอารมณ์ศีลและสิกขาก็ยังไม่บริบูรณ์ต้องเป็นศีลวีระตีที่มีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะเป็นวีระตีที่บริบูรณ์ สมาธิถ้ายังเป็นสมาธิที่มีอารมณ์ทั่วๆไปเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังเป็นสมาธิที่ไม่บริบูรณ์ต้องเป็นสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ต้องเป็นปฐมฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละต้องเป็นผู้ติยะฌานเป็นต้นที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์ปัญญาที่พิจารณาก็ต้องเป็นปัญญาที่พิจารณาอริยสัจโดยเฉพาะนิโรสัจนัะนั่นแหละจึงจะเป็นปัญญาที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ แต่ถ้าศีลสมาธิปัญญายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์จริงก็ปัญญาก็ไตรสิกขาเหล่านี้ก็ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์เมื่อยังไม่บริบูรณ์ก็อะไรได้ ก, ก็ก็แบบไม่บริบูรณ์น่ยนะมันเป็นอื่นได้หมดแหละเชื่อมันเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจสีเนี่ยนะ พูถึงยานระดับโลกยะกรว่าแสดงทุกขศาสเพื่อละสกายาทิฐิแสดงสมุทัยศาสเพื่อละอุเฉททิฐิแสดงนิโรศาสเพื่อละสัสตทิฏฐิแสดงมัคศาสเพื่อละอกิริยทิฐิทิฏฐิทั้ง4ประการเนี่ยนะจะละได้เต็มที่จริงๆต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ธรรมะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงธรรมะเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นธรรมที่เพิกอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่ดับสงบระงับวัตตาทั้งปวงเนี่ยนะเมื่อมีธรรมะอันนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยจึงละสกายทิฏฐิโดยเด็ดขาดละอุชเชท ท, ทิฏฐิโดยเด็ดขาดละสัสตาทิฏฐิละอกิริยทิฏฐิโดยเด็ดขาดแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เด็ดขาดเนี่ยนะ คือเราทั้งหลายยังอยู่ในแดนโคจรแห่งทิฐิอยู่ใช่ไหมยังเที่ยวไปในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเที่ยวไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจในอารมณ์ที่เป็นดินแดนแห่งแห่งอะไรดินแดนแห่งทิฐิถ้ายโยนิโสมนสิการเกิดกุศลก็เกิดถ้าโอโยนิโสมนัสิการเกิดทิฐิก็เกิดได้นะอกุศลทั้งหลายก็เกิดได้ มันธาจะห้ามทิฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนะอย่างที่ครั้งก่อนที่พูดว่าเนี่ยเห็นเกษาเห็นผมเนี่ยนะเกษาเกสาสมุทัยเกษานิโรธเกสานโรธาคามินีปฏิปทานเนี่ยเรานึกอย่างนี้บ้างไหมพอที่จะห้ามทิฐิสี่ประการเนี่ยนึกถึงเกษาเกสาไม่ใช่ใครใช่หมเกษาก็เป็นเกษาวันยังค่อมนั่นแหละอันนี้ห้ามอะไรสกายะทิฐิ เกษาเหล่านี้มีปัจจัยเป็นแดนเกิดนะอันนี้ละอุดเฉททิธิธรรมะที่สงบประงับดับเกษาทั้งและเกษาสมุไทยก็มีอยู่นะอันนั้นเป็นละอะไรละสัสตตทิธิถ้าเจริญอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ต้องปฏิบัติตามนี้นะจึงจะแทงตลอดเกษานิโรธอันนั้นเป็น อันนั้นเป็นเกษาสมุทยัยเออขอเกษานิโรธาคามินีปฏิปทาเพื่อละละอะไรอัลละอกิริยะทิฏฐิคงลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเกษาพระนี่ต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ปลงผมอีกแล้ว แตสามีกี่รูปคุณชูสิหรอ ส, สี่สิบ ส, ส, ส, ส, สี่จะเสียตอกงานนี่แหละพอพอพอเริ่มต้นจริงๆนะมันก็มีอะไรเป็นสมุธานมีกรรมมีกรรมก็แบ่งออกเป็นกายเป็นภาวะจิตตาวินิโพครูปอุตตราวินิโพครูปและ อาหารเนี่ยนะอันนี้ต้องเฉพาะในที่มันอยู่ข้างในนะจะเน้นไปที่รากเส้นผมมันนะเน้นไปที่รากผมแต่ถ้าหลุดมาแล้วถ้ามันพ้นออกมาในส่วนที่มีกายยะภาษาธานะอันนี้เป็นอุตูชรูปอย่างเดียวมีรูปอยู่แปดรูปเท่านั้นเอ ง, องนั่ น, นเกษาอันนี้เนี่ยนะ ปุตชชนผู้ไม่ได้สดับก็สําคัญสําคัญว่าเป็นเป็นใครดิเป็นเป็นสัตว์นะสำคัญว่าเป็นเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นง่ายๆก็คือเป็นเราเราคือผมผมคือเราหรือเราไม่ใช่ผมหรอกผมเนี่ยมันของเราอย่างงี้ยไก็จะเข้าอันไม่อันใดก็อันหนึ่งนี่ถ้า ญาณในทุกขสัตว์เนี่ยนะญาณที่เป็นทุกข์ก็บอกว่าผมก็คือผมที่ประชุมไปด้วยประชุมไปด้วยรูปต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็คือรู ป, ปรขันรู ป, ปรขันตรงกายตรงนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในฐานะเป็นวัตถุ ข, ของสุขขกายยะวิญญาณและทุกขากายยะวิญญาณ ใครไม่เคยขันศีรษะบ้างโอททำบุญอะไรามาเนอะแต่ว่าไม่มีเลยเงียบหมดเลยแสดงว่าทุกขากายะวิญญาณเคยมีก็สังเกตจากเวทนาตัวเนี้มีอยู่สองคือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามีสุขมีทุกข์ที่ใดก็สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็กล่าวแล้วบางพวกนี้เข้าใจว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรารอกแต่เป็น ของเราเพราะเข้าใจว่านามขันเป็นเป็นเราก็สาคัญกลับไปกลับมาอยู่แถวนี้แหละหรือไปสาคัญที่อื่นว่าไอ้พวกนี้ในฐานะเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะั้นผู้ที่ทําปริญญาเนี่ยนะหรือผู้ที่มียานในทุกขเนี่ยทุกขยานเนี่ยนะานในทุกหรือทุกขยานอันเนี้ยจะละสกายทิธิ เพราะเห็นว่าอะไรเห็นว่าผมเป็นผมเห็นว่าผมเป็นรูปประคัเป็นวัตถุของวิญญาณนัขขัเป็นอารมณ์ของวิญญาณนัขขัผมเนี่ยนะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งอารมณ์ของวิญญาณนัขขันเป็นทั้งวัตถุเป็นทวารด้วยทีนี้ผมเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดจากสมุทัยใช่ไหมสมุทัยอย่างตัวกรรมเนี่ยนี กรรมที่ทำให้เปิดผมเนี่ยก็แบ่งเป็นอะไรกรรมตัวกรรมไม่ช่รูปอนนะกลมเนี่ยก็เกิดจากกรรมก็แล้วแต่ผมใครครั้งถ้าผมมาเนี่ยอะไรกรรมอากุศลสิบสองใช่ไหมอากุศลสิบสองเป็นปัจจยัยถ้าเป็นมนุษย์อะไรมากุศลแปดนำเกิดถ้าเป็นไก่สิบสอง อย่างใดอย่างหนึ่งอะนะแล้วแต่ยังไงแล้วภาวะนะียมันมีกายแล้วก็มีภาวะภาวะก็มาจากกรรมอีกเหมือนกันถ้าเป็นมนุษย์ก็แปดสัตว์ในอบายก็สิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้ให้เกิดภาวะรูปนี้ขึ้นถ้าเป็นจิตอันนี้ของชาตินี้เลยนะจิตอันนี้ต้องเป็นจิตในปัจจุบันอย่างเดียวพวกนี้เนี่ยนะเป็นอดี ต, ตเหตุนะกรรมเนี่ยเป็นอดีตเหตุก็ก็บวกกับ อวิชชาบวกตันหาอยู่แล้วตันหาที่ทำให้มีกายเนี่ยคืออะไรตันหาโพธภาตันหาเป็นตัดใจให้มีกายทีนี้พอมีกายอย่างนี้เรามีตันหาอีกไหมมีโพธภาตันหาเวลาคันเนี่ยนะทุกขกายญวิญญาณเกิดคันขึ้นเนี่ยมีตันหาไหมหลังจากนั้นก็มีตันหาอีกพอมีความสุขก็ ตันหาอีกอยู่ดีเขาบอกว่าทุกขก็มีคําถามว่าระหว่างคนที่ทุกข์กับคนที่สุขใครจะมีตันหามากกว่ากันใครจะปรารถนาแรงกล้ากว่ากันก็คนที่มีความทุกข์นัปรารถนาเช่นคันศีษะมากรถนะกับคนที่ศีสามนี่มนัสิกานก็ราบรื่นหมดเลยเนี่ยนะใครจะปรารถนาความสุขมากกว่ากันนั้นผู้ที่มีทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะละตันหาหรือจะหมดตันหาอะไร พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยแห่งตันหาตันหาคืออะไรตันหาโพธะภะตันหาเมื่อโพธะภะตันหาก็บวกอะไรอีกก็พูดถึงใช่ไหมก็กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้มีอะไรให้มีกายอีกต่อไปหรือมีผมเป็นต้นอีกต่อไปเพราะฉะผมทุกผมที่เกิดขึ้นต้องเกิดจาก ต้องเกิดจากปัจจัยนะไอการกำหนดปัจจัยนี่เรียกว่ากําหนดสมุทัยการกําหนดสมุทัยเนี่ยละอุเฉททิฏฐินะละอุเฉททิฏฐิ ท, ทีนี้ผมเนี่ยถ้าถ้าเรามองแบบยาวๆนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นไปอย่างเนี้ยทุกภพทุกชาติแล้วมันจะดับได้หรือก็เลยสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงเลยนะก็เลยเที่ยงเลยแต่จริงๆธรรมะที่ดับสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะนะธรรมะเป็นที่ดับ สิ่งเหล่านี้มีอยู่นะที่สงบประ ง, งับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะาบอกว่าที่ดับแผงวตัตตาเป็นที่เพิกถอนแห่งอาไลแต่ทีนี้ถ้าคนที่จะแทงตลอดพระนิพพานได้เนี่ยนะก็ต้องเป็นลักษณะนี้เนะยังคุยกับผู้การมาเลยบอกผู้การถ้าเห็นผมว่าไม่เที่ยงเลยเนี่ยแล้วปีติได้ยังไงยังคุยกันอยู่เรื่อยเลยนะทำไมจึงมีปีตินะพอเห็นผมว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่ใช่ถามว่าต้องรอให้ผมร่วงก่อนใช่ไหมจึงคิดเออมันไม่ที่ยงังต้องไหมไม่ต้องหรอ ก, ก็อาจจะเรียนแบบผ้าอรหันต์สมัยพุทธ ก, กาลใช่ไหมโกนผมปอยแรกนะ แ, กรกแรกแรกสโสภาบันแกรกที่สองก็สะกะทาคามีหมดไปสองสามจุกก็อนาคามีหมดศีรษะเป็นผ้าอรหันต์พอดีเลยนะคงไม่ต้องขนาดนั้นหรอมนะั้งท่านผู้ที่พิจารณาจริงๆเนี่ยนะถ้าเห็นผมเนี่ย ผมตามความเป็นจริงเขาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นผมโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะจิตของเขาจะน้อมไปหาสังขตะธาตุมากยิ่งขึ้นก็เหมือนว่าถ้าหหเห็นผมเป็นระเบิดเนี่ยนะสักลูกหนึ่งเนี่ยถามว่าเราจะไปเกาะเกี่ยวในผมไหมจิตมันก็หลีกออกจากผมไปหาสังขตะธาตุ น, น, นะนะเพราะถ้าเห็นผมเป็นระเบิดจริงๆนี ถ้าเห็นผมเป็นอะไรนะมันมีโรคไอไวรัสชนิดหนึ่งที่ที่มันขึ้นที่รากผมใช่ไหมถ้าไปคันไปเกามันแล้วมันจะลามแล้วมันจะผุพองไปเรื่อยๆแล้วเอาไปเปื้อนที่ใดนะมันจะลามจะติดไปอีกเขาเรียกอะไรก็พวกกลุ่มอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นอะไรอิสุกอิสัยเนี่ยมันขึ้นทุกแห่งนะขอมาเพิ่งเนี่ยได้รับมายกหยก ไปติดมาจากต่างประเทศอันนี้ส่งไปต่างประเทศมาก็เลยได้อิสุปิสัยมาท่านถ้าหากว่าเราเห็นว่าแต่ล ะ, ะตัวนี้คือตัวโรคจริงๆเนี่ยนะถามว่าจิตเราจะเกาะเกี่ยวไหมจิตก็ไม่เกาะเกี่ยวจิตก็จะน้อมไปหาอสังขตาธาตุเนี่ยนะ พันตัวที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นระเบิดด้วยเป็นตัวโรคด้วยเนี่ยนะถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาจิตก็น้อมไปหาอสังคตาธาตุจะได้เลิกสร้างผมสักทีหนึ่งอันนี้แหละเป็นเป็นญาณในนิโรสัจจะถ้าแทงตลอดอาสังคตาเนี่ยนะถือว่าเป็นอันดับดับผมได้อันนี้แหละเป็นเป็นญานในนิโรสัจจะเนี่ยนะ ซึ่งอย่างของเราทั้งหลายก็ได้แค่เปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเทียบว่าถ้าดับกรรมดับตัณหาดับผมดับอะไรได้นะอาศังคตะธาตุอันนี้แหละเป็นพระนิพพานก็เมื่อไหร่ที่เรียกว่าเห็นผมเนี่ยเป็นของร้อนเนี่ยนะเห็นเป็นไฟเนี่ยนะปัญญาที่เราไปมีผมมีพวกนี้เป็นอารมณ์เป็นเป็นเหมือนกับเอ็นหรืออะไรที่แย่เข้าไปในไฟแล้วนะแล้วมันหดจิตงอกลับ ม้วนไปหาอาสังกตาธาตุได้ก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ทีนี้ถามว่าการเจริญอย่างนี้เนี่ยนะอยู่ๆมันเป็นมันเองขึ้นมาหรือมันเป็นขึ้นมาเองหรือเกิดจากเจริญขึ้ น, น, น, นก็เกิดจากเจริญขึ้นเจริญอย่างไรหรือที่เรียกว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะแทงตลอดอสังกตาธาตุนั่นนะอันนี้คือส่วนที่สาคัญ เรารู้แล้วว่าพวกนี้เป็นวัตตะใช่ไหมอาสังคตาธาเป็นวตะถ้าเพิกวัตตะได้ก็ถึงวิวัตตะแล้วคิดยังไงจึงจะออกจากสังคตาโดยที่มีอาสังคตะเป็นอารมณ์อันนี้แหละที่จะต้องทำขึ้นเป็นกิรยิยอรยมักนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำขึ้นใช่ไหมทำยังไงหนอจึงจะแทงตลอดอาสังคตาธา